อวัยวะทุกสัดส่วนนั่นน่ะที่เรียกว่าเป็นจมบัตรล้ำค่าที่มีแข่งมีขามีแขนมีมือมีอวัยวะอะไรทุกสัดส่วนที่มีในตัวของเรานี่น่ะเรามีแต่ละอย่างแต่ละอย่างมีความสมบูรณ์นี่ความดีความสุขความสบายเกิด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 ความสบายอยู่เดนี้ความสุขกายสบายใจอยู่เดนี้นะมาจากไหนอะเนี่ยเป็นสมบัติของพ่อของแม่ของเราที่มีคนเดียวทั้งหมดให้มาท่านให้มานี่ไม่ใช่ว่าให้แบบอิจฉา ให้แบบด้วยความรักหรืยความเป็นห่วงเหลือเกินที่ท่านให้มาเนี่ยแต่และอย่างนั่นะให้แบบความรักให้แบบความเป็นห่วงเหลือเกินว่าคนนี้ไม่ควรจะให้สองขาละถธาก็ไม่ได้มนันไม่มีเจตนาอาคติอย่างนั้นคนนี้ไม่ควรจะให้สองแขนละถ้าก็ไม่ไดมีอคติอย่างนั้น หูตาก็ไม่ควรจะให้ครอบหลาทั้งก็ไม่มีอคติอย่างนั้นให้ด้วยความรักให้ด้วยความสงสารจริงๆตันั้นพ่อแม่ของเรามียังไงเราก็มีอย่างนั้นตามทันพ่อเราเป็นชายเราเป็นลูก ก็เป็นผู้ชายเพราะแม่ของเราเป็นผู้หญิงก็มีลูกผู้หญิงมาเาฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละ <c oughs> เป็นสมบัติอันนี้เีว่ามนุษย์สมบัติ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 พุทธธรรมคำสอนแล้วจะเกิดลังเล ข, ขึ้นมาทันทีความเจริญเนี่ยกระดูสิว่ายโลกพัฒนาทุกวันนี่เปลี่ยนมาจนถึงยกอะไรที่ว่าโลกาภิวัตโลกานุวัตโลกาภิวัตอะไรอะ ความเจริญทุกวันนี้ก็ขนาดนี้แหละ <c oughs> แต่แล้วความเจริญก็คือสิ่งมันมีมากสิ่งที่มีมากมาจากไหนก็มาจากคนทำคนพัฒนาคนทำทุกวันนี้มันมีมากคนก็มีมากเครื่องใช้ก็มีมากรถลาก็มีมาก มากในลักษณะนี้มันเกิดเลยเกิดความไม่สมดุลกันขึ้นกบเหมือนอย่างที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละอย่างรถมากๆเป็ไนไงถนนน้นทางในกรุงเทพคนมากๆแอร์อาจเป็นยังไงในกรุงเทพวัต <c oughs> ถุเครื่องใช้มากๆเป็นยังไง นี่การเจริญทั้งความเป็นสมบัติของโลก <c oughs> ทั้งด้านวัตถุถ้ามันจะเจริญในในลักษณะส่วนเดียวอย่างนี้ถ้ามองทางธรรมแล้วยังไม่สมประกอบยังไม่สมบูรณ์มันยังไม่สมดุลในความรู้สึกความต้องการของจิตใจนะั่นนะ พอสิ่งที่จเจริญมาประเภทนั้นจเจริญมาสาหรับใครเี่ปัญหามอยู่ตรงนี้มีมาสาหรับใครก็มีมาสาหรับมนุษย์ที่จะต้องใช้ไอคนที่จะใช้นะ่ะนะมนุษย์เราที่จะใช้นะั่นเจริญตามไหมสิเนี้ยมันสมดุลกันไหม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 ด้า น, นใจจะมีความสุขความสบายใจจะมีความสุขความเรือนอาศัยความดีอันนี้เท่านั้นความดีอันนี้แหละถ้าวิถานณายออกไปสักหน่อยหนึ่งความรู้ถ้าความรู้ดีแล้วก็ได้พึ่งดีมีความรู้แล้วต้องทํา ถ้าเราทำดีประพฤติตัวดีแล้วก็ได้พึ่งความดีนั้นแล้วรู้ดีก็ทำดีผลที่ได้มามันต้องมีสิ่งที่เราอาศัยก็ต้องรู้จักรักษาอย่างเราได้ <c oughs> ตนได้ตัวมาได้หูได้ตามา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 เมาหัวยำเปเล่นแจกมะเล็กเสเพไลผิดหูผิดตาท่านผู้รู้ประพฤติตัวนอกรทดินอกร้อยตามันนองคองทำสินรมแม่บทกฎหมายนั่นเห็นไหมการการรักษาตัวเองการประพฤติตัวเองมันมีอยู่ดาเดือนไม่ใช่หรือทุกวันนี่เอาไปมาเรือหมดเดือน ลืมถึงกายเครื่องนุ่งห่มของตัวเองเครื่องนุ่งห่มของตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองมันโตขนาดไหนเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วควรจะละอายหรือไม่เราเป็นลูกผู้ดีของพ่อของแม่หรือเราเป็นกะลีไม่ได้นึกหรือที่เนี่ยชุดสมบัติผู้ดีแฟชั่นสมบัติผู้ดีไปยังไงนุ่งยังไงท่านนุ่งยังไงแฟชั่นชั้นนสมบัติกะลีเขานุ่งยังไงก็ไม่รู้ที่เนี่ย เด็กเขางงยังไงคนโตเขางงยังไงก็ไม่ได้ดูสิเนี่ยมันเริ่มขนาดนั่นนะทำไมมันจึงเริ่มก็เพาะอำนาจของความหลงราคะตัณหามันพาให้ทำราคะตัณหาที่มันเป็นธรรมชาติมีหัวใจมัน บีบังคับให้ทำจนลืมตนลืมตัวคุณธรรมความละอายแทบจะไม่มีในความรู้สึกอันนั้นนะกลายเป็นด้านไปหมดอันเดินด้านคอยยังชั่วบรรดานส่วนคนที่ควรไม่ให้ด้านนี่มันจึงไม่มีความลายมันจึงไม่กลัว นี่ยลักษณะที่ขาดคุณธรรมเป็นอย่างนั้นโลกาพิบัติเนะี่ยไม่ใช่โลกาโุวัดนะทุกวันเนี่ยมันจะเข้าระบบเข้าโลกาพิบัติเข้าไปแล้วมันจึงมีปัญหาดาาเดินทั่วโลก <c oughs> โอ้อย่าไปามามันน่าทุเรศ จ, จริงๆอ่ะพูดถึงว่าตามยุคตามสมัยอ่ะ รูปภาพโฆษณาแบบอย่างออกตามสื่อมวลชนมันดูไม่ได้เลยทีเดียวนางเสพเพมแต่ละจะบับเหมือนกับมันไม่มีอะไรความดีในโลกนี้จะมาอวดมาอ้างมันมีอันเดียวเท่านั้นหรือความดีอื่นไม่มีรหรือมันน่าเท่าไรขนาดไหนสื่อมวลชนที่มันทาให้เสื่อมเสียทุกวันนี้ เอาไปมาลืมตนลืมตัวลู ก, กไม่ประพฤ้นตัวอยู่ในขอบเขตของลูกพ่อกับแม่ก็ไม่แบบพื้นตัวอยู่ในขอบเขตร้องความเป็นพ่อเป็นแม่นั่นเห็นไหมก็เรื่องอะไรก็เรื่องบ้าตันหาเดียวนั่นเลวมารู้ตัวเดียวนั่นแหละไม่มีความละอายไม่มีความกลัวนั่นแหละทําไมจึ๋กับพราะมันด้านด้านอย่างที่ว่าด้านไม่ควร สิ่งที่ไม่ควรใจใด้านมันด้าน <c oughs> ถ้าด้านในส่วนใต้เจ้าเดินไปเดินมาก็ไม่มีปัญหามันด้านส่วนเนอให้สวยให้งามที่มันไม่ดูไม่ได้เดี๋ยวนี่ยควรจะยิ้มแย้มแจ่มใสควรจะมีความละอายความจะมีความกลัว มันก็ควรจะคิดอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนั้นเรียกว่าสมัยมันเจริญเดี๋ยวนี้มันเจริญอะไรก็ไม่รู้เอาไปมาวงศาธาะก็ด้านเข้าไปลืมตนลืมตัวอยู่ในฐานะยังไงเป็นพระเป็นเจ้าผู้มีศีลมีธรรมกงไปกงมาเป็นตัวอย่างของประชาชนชาวโลกก็ไม่รู้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 เรื่องกิเลสตัณหาราค้าตัณหาโลภะโทสะโมหะมันก็เป็นของมันอยู่ดีเราจะรู้ขนาดไหนเรียนจบมาในฐานะไหนกันลาค้าตัณหาเหมือมีตามเรื่องของมันอยู่นั่นมันไม่ได้เป็นไปตามเราเจงไปกัวเราที่ด้วยซ้ํา เราเอาความรู้ข้างเราควบคุมมันไม่อยู่หรอกควบคุมความโลภความโกรธความหลงควบคุมราคาตันหาไม่อยู่หรอกความรู้หรอกวิชาของโลกนั่นน่ะพอที่บรรเทาเบาบางอยู่ด้วยอบเคตอาศัยความรู้ทางธรรมเท่านั่นแหละว่าทำอย่างนี้มันควรไหมมนุษย์เราควรจะจะละอายยังไง ควรจะกลัวต่ออะไรทำเท่านั้นเลยเป็นเครื่องขี้เป็นเครื่องเตือนกี่เตือนใจถ้าเรื่องกิเลสตัณหาแล้วโอ๊ยแล้วมันเท่านั้นแล้วเหมือนจัดสาวาสิ่งนั่นแล้วมันจะมีความลายอะไรที่ไหนเพศหญิงเพศชายมันมนก็เบี่งได้สบายไปได้สบายเดินเหินได้สบายนั่นแล้วปิดไม่ปิดช่างหัวมัน ปีดน้อยปิดมากช่างหัวมันเนี่ยมีแต่คุณธรรมเท่เานั้นจะไปเครื่องชี้เตือนจิตเตือนใจเออนี่ควรจะละอายยังไงควรจะกลัวยังไงควรจะเกิดความสำนึกยังไงจึงจะได้ชื่อว่ามนุษย์สมบัติจึงจะได้ชื่อว่าเป็นลูกผู้ดีของพ่อของแม่สมบัติผู้ดีควรจะทำยังไงนี่ละ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 จะเรื่องอะไรเนี่ศึกษาหลักพุทธธรรมคําสอนต้องเข้าใจอย่างนั้นไม่เข้าใจอย่างนี้แล้วก็ไม่เป็นธรรมให้เมื่อไม่เป็นธรรมก็เป็นไปตามเรื่องกิเลสเท่านั้นแล้วจะมีเรื่องอะไรเป็นไปตามเรื่องตัณหาเท่านั้นแล้วเห็นชีวิตนี้ไม่มีคุณค่าอะไรเท่านั้นเป็นเครื่องเล่นเท่านั้นแล้วไม่จะมีประโยชน์อะไรอะนี่พวกเราทุกท่านกุศลลเจตนาดีก็ข อ, อนโมตนา ตั้งใจมาศึกษาตั้งใจมาฝึกปฏิบัติเจตนาเนี่ยให้มันเป็นไปเพื่อกุศลและเจตนาของเราให้มันเป็นสาละแจนสารยืนยาวไปเป็นนิสัยเป็นไปนใจตลอดเข้าสู่มรรคผลนิพพานโน่นจินหันผ่านเข้าใจเมื่อเทศนาธรรมมาถึงตรงนี้ เห็นว่าพอสมควรเจเวลาจึงข อ, อยุตยิไวเตียงแ่นี้ขอความสุขความเจริญจงมีแด่พวกเราทุกท่านโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเธิน